พุทธคุณประการที่สวิชาจรณะสัมปันโนคนที่จะเข้าถึงพระรัตนตรยัยคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์จึงกระทั่งสามารถยึดถือเอาเป็นที่พึ่งทางใจได้นั้นต้องศึกษาเรื่องพุทธคุณธรรมคุณและสังฆคุณให้เข้าใจอย่างละเอียดคำว่าเข้าถึงหมายถึงเข้าถึงตัวพระรัตนตรัยจริงๆ คือรู้จักตัวพระรัตนตรัยจริงๆและคำว่ายึดถือเอาเป็นที่พึ่งหมายความว่าเมื่อมีความทุกข์หรือมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นก็ตามพอนึกถึงพระรัตนตรัยก็ทำให้เกิดปัญญาสามารถแก้ความทุกข์หรือความยุ่งยากนั้นๆได้และทำให้รู้ซึ้งว่าอนุภาพแห่งพระรัตนตรัยนั้นมีจริงและช่วยเหลือเราได้จริงๆ และสำหรับคนที่เข้าถึงจริงๆนั้นจะรู้สึกอยู่เสมอว่าในโลกนี้ไม่มีสิ่งใดซึ่งจะเป็นที่พึ่งได้ดีและประเสริฐยิ่งกว่าพระรัตนตรยัยเพราะแม้ในกรณีที่ไม่อาจจะแก้ไขาได้ด้วยการเงินหรือโดยอิทธิพลใดๆนั้นแต่พอนึกถึงพระรัตนตรยัยก็จะทำให้มองเห็นทางที่จะแก้ปัญหานั้นๆได้และก็แก้ได้ผลจริงๆด้วย เช่นอย่างในระยะเวลาจะตายซึ่งทุกคนย่อมรู้อยู่ว่าอะไรอะไรก็ช่วยไม่ได้แต่สำหรับคนที่เข้าถึงพระรัตนตรยัยแม้จะตายเขาก็รู้สึกอบอุ่นสบายใจมั่นใจว่าความตายไม่ได้ทำให้เขาต้องสูญเสียหรือทำให้เขาต้องหวาดกลัวแต่อย่างใดตรงกันข้ามกลับจะทำให้เขารู้สึกว่าความตายเป็นสิ่งที่มีประโยชน์อย่างยิ่ง เพราะถ้าเราไม่ตายเราก็จะไม่ดีขึ้นกว่านี้เพราะฉะนั้นท่านจะเห็นได้ว่าพระรัตนตรัยสามารถเป็นที่พึ่งได้เพียงไรแต่คนส่วนมากทั้งที่นับถือพระรัตนตรยัยพอเกิดปัญหาขึ้นมาจริงๆก็แก้ปัญหาอะไรไม่ได้ทั้งๆ ท, ที่ได้อ้อนวอนและอธิษฐานขอให้พระรัตนตรัยช่วยการที่คนส่วนมากรู้สึกว่า พระรัตนตรัยช่วยเขาไม่ได้ก็เพราะเขาเข้าไม่ถึงพระรัตนตรยัยเพราะฉะนั้นจึงเป็นการจําเป็นที่จะต้องศึกษาเรื่องนี้ให้ละเอียดข้าพเจ้าได้อธิบายพุทธคุณมาแล้วสองบทคือบทว่าอารหังและสัมมาสัมพุทโธสำหรับในตอนนี้จะอธิบายบทว่าวิชาจรณสัมปันโนวิชาจรณสัมปันโน แปลว่าเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวิชาและจรณะวิชาในที่นี้เมื่อพูดโดยย่อก็ได้แก่วิชาสามคือหนึ่งปุเพนิวาสานุสติยานยานที่ทำให้ระลึกชาติได้ 2. จุดตูปปาตยานยานที่ทำให้เกิดตาทิพซึ่งคนที่ได้ยานี้สามารถที่จะมองเห็นชีวิต ที่กำลังจุติลาปติสนธิเพราะมองเห็นโอปปาติกะคือกำเนิดประเภทหนึ่งคือเทวดาพรหมเปรตสัตว์นรกเป็นต้นแล้วรู้แจ้งเกี่ยวกับเรื่องกฎของกรรมอย่างกว้างขวางและลึกซึง้งและวิชาที่สาอาสวะคยาญาณญาณที่ทำให้กิเลสที่ฟังอยู่ในสันดานหมดสิ้นไปอันหนึ่งคำว่าญาณ กับคำว่าวิชาในที่นี้มีความหมายอย่างเดียวกันเช่นจะพูดว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวิชาสามหรือญาณสามก็มีความหมายอย่างเดียวกันขอได้โปรดจำไว้ด้วยว่าคำาดังต่อไปนี้ในทางพระพุทธศาสนามีความหมายอย่างเดียวกันคือคำว่าญาณวิชาปัญญาดวงตาในวงเล็บจักษุ แสงสว่างในวงเล็บอาโลกะเช่นในธรรมจักรกับประวัตนาสูตรพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่ายานปัญญาวิชาดวงตาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแกเราว่านี่คือทุกขนี่คือเหตุให้เกิดทุกนี่คือความดับทุกขนี่คือทางให้ถึงซึ่งความดับทุกขอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้น ผู้อ่านจะต้องทำความเข้าใจให้ดีว่าคำที่ใช้แทนกันได้เพราะมีความหมายเหมือนกันนั้นมีอะไรบ้างวิชาสามหรือยานสามดังที่กล่าวมานี้เป็นหลักใหญ่ของพระพุทธศาสนาและโดยธรรมดาถ้าคนไหนได้วิชาสามก็จะต้องได้วิชาอื่นอีกสามอย่างด้วยเสมอคืออิทธิวิธิการแสดงปาฏิหาริย์ต่างๆทิพยโสตูทิ เจโตปริยญาณญาณที่ทำให้อ่านใจคนอื่นได้เพราะฉะนั้นถ้าหากในที่บางแห่งกล่าวว่าพระพุทธเจ้าได้วิชาสามก็ขอให้เข้าใจว่าเป็นการพูดแต่เพียงหลักใหญ่ๆโดยย่อแต่โดยความเป็นจริงแล้วพระพุทธเจ้าทรงได้อภิญญาหกเจรณะแปลว่า ความประพฤติพระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวิชาและจรณะหมายความว่าพระพุทธเจ้าไม่เพียงแต่ทรงมีความรู้ดีเท่านั้นแต่หากทรงมีความประพฤติดีอย่างยอดเยี่ยมอีกด้วยสิ่งใดที่พระองค์ทรงแนะนําสั่งสอนสาวกหมายความว่าสิ่งนั้นพระองค์ก็ทรงปฏิบัติได้ด้วยคําว่าจารณะ ซึ่งแปลว่าความประพฤตินี้ในคำภีได้แบ่งออกไปเป็นส5้าอย่างและทั้งส5้าอย่างนี้ก็เป็นแต่เพียงตัวอย่างโดยสังเขตเท่านั้นไม่ได้หมายความว่าความประพฤติอย่างอื่นนอกจากที่กล่าวมานี้พระองค์ทรงปฏิบัติไม่ได้เจรณาสิบหตามที่แจกไว้ในคำภีนั้นมีดังต่อไปนี้หนึ่ง สีละสังวรความสำรวมกายวาจาให้เรียบร้อย 2. อ, อินทรียะสังวรความสำรวมอินทรีย์ทั้งหกคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจ 3. โพชเนมันมตันยุตาความเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภค 4. ชาคริยานุโย มันประกอบความเพียรไม่เห็นแก่การหลับนอนมากนัก 5. ศรัทธาความเชื่อต่อสิ่งที่ควรเชื่อ 6. อิริความละอายต่อบาปทุจริต 7. โอตัปปะความสะดุ้งกลัวต่อบาปทุจริต 8. พาหุสัจจ์ความเป็นผู้สดับมาก เก้าวิริยะความเพียรส0สติความระลึกไดสบอ็ 11. ปัญญาความรอบรู้สิองปฐมฌานฌานที่หนึ่งทุติยฌานฌานที่สองตติยฌานฌานที่สามสิบห้า จตุทถาฌานฌานที่สจารณะ15ดังที่ได้กล่าวมานี้แต่ละหัวข้อถ้าจะศึกษาให้เข้าใจจริงๆต้องใช้เวลามากข้าพเจ้าไม่อาจจะนำมาอธิบายในที่นี้ได้ผู้ที่สนใจต้องการทราบรายละเอียดขอให้อ่านจากหนังสือที่อธิบายเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะในที่นี้เพียงแต่ต้องการจะให้ผู้อ่านได้ทราบว่าจารณะหมายถึงอะไรบ้าง และในเมื่อศึกษาตามหัวข้อเท่าที่เขียนมานี้ก็จะรู้ได้ว่าพระพุทธเจ้าทรงมีความประพฤติดีเยี่ยมพระองค์ทรงสอนเขาอย่างไรพระองค์ก็ทรงปฏิบัติได้อย่างนั้นพระองค์จะไม่ทรงสอนในสิ่งที่พระองค์ไม่รู้จริงและปฏิบัติตามไม่ได้พระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยความรู้และความประพฤติข้อนี้ ต้องมานึกบ่อยๆและพร้อมกันนี้จะต้องเข้าใจให้ดีด้วยว่าความรู้ที่ว่านี้คืออะไรและความประพฤติที่ว่านี้คืออะไรอย่าแปลความหมายเอาเองพระพุทธเจ้าทรงสามารถประลึกชาติได้มีหูทิพตาทิพอ่านใจคนอื่นได้แสดงปาฏิหาริย์ต่างๆได้เช่นทรงสามารถสร้างกายทิพขึ้นมาได้ทันท่วงที และไปไหนมาไหนได้ด้วยกายทิพย์อันนั้นได้อย่างรวดเร็วเท่ากับใจนึกเหมือนกับพวกโอปปาติกาทั้งหลายคำว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวิชาและจรณะนั้นหมายความอย่างนี้ความสามารถของพระพุทธเจ้าในลักษณะนี้คนส่วนมากมักจะไม่เชื่อว่าเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ถ้าคนไหนไม่เชื่อก็แปลว่าคนนั้นยังเข้าไม่ถึงพระรัตนตรยัย และเมื่อเข้าม่ถึงก็ยอมจะมองมิเห็นว่าพระรัตนตรัยสามารถช่วยแก้ปัญหาได้ทุกอย่างพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันสูงสุดและที่นาสังเกตก็คือบุคคลที่เป็นผู้นำในวงการต่างๆนั้นส่วนมากไม่ยอมเชื่อว่าพระพุทธเจ้าทรงมีความสามารถเช่นนี้เพราะฉะนั้นผู้นำเหล่านี้จึงมองไม่เห็นทางว่า จะนำเอาพระพุทธศาสนามาพัฒนาบ้านเมืองได้อย่างไรจะเอามาแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างไรทั้งๆที่พระพุทธศาสนาโดยความเป็นจริงแล้วสามารถจะช่วยแก้ปัญหาให้กับเราได้ทุกอย่าง